นั่นมัธยุแล้วความตัางผมมานานถึงขนาด น, นั้นเจ้าอะไรมาเทียบกัาในโลกนี้ถึงจะใหญ่โตยิ่งกว่าก้อนที่เดือดันหาอาชวะก้อนเราก้อนว่าเราเป็นของเราอะไรแบบนี้มีมากมายกล่องใหญ่โตมากเราจะมาขาดมาเถื้อมาสับมาฟันเพียงผนต้อ ง, องหนังให้มันขาดไปนั้นมันก็เป็นไปไม่ไึงต้องในทุ่มเทกําลังลงอย่างหนักหนาทีเดียว ตอนนี้ตอนที่จะจีน ช, ชนะกันเอาปุ่งเราเป็นนักปฏิบัติไมาต้องท้อถอยต่อการรบกับคิเลสที่มีอยู่ปับตูของเราความกัคคิเลสคือก้อนเรานั่นเองเราของเราอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นนี่คือกัคิเลสแต่จะแยกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันตามความสัตย์ความจริง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 นี่ักลบกท่นานพิจารณาอย่างนั้นที่ในท่ามการแห่งขันที่เป็นไฟทั้งกองท่านก็เป็นความร่มเย็นเป็นสุขอโดยปกติของจิตที่รู้รอบขอบคิดแล้วไม่เอ็ไม่เอีย ง, ไ ม, งไม่หวั่นไหวไปตามอาการาทั้งหมดนี่คือผู ร, รอบอาการเมื่อทนได้กบทนตายพอทนก็นาจะท น, นกทนันตาปฏิบัติรักษาบำรุงกันไปเยียวยากันไปพากินพานอน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 ปัจจุบันรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันหมดเป็นผู้หมดเรื่องหมดราวมีทางเลือก่าถึงนี่ผ่านทั้งไปที่นีน้เที่ยงแน่และจิตอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไม่มีเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนขันแห่จะปรุงแต่ขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู่ในขันต่างๆ